รับนิมนต์สร้างผาน้ำย้อยบันทึกประวัติวัดผาน้ำย้อยในปีพุทธศักราช2517ทรัพยากรป่าไม้บนเทือกเขาเขียวกำลังถูกทำลายเป็นอย่างมากเดิมพื้นที่แห่งนี้มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามาอาศัยอยู่เป็นเหตุให้ทางราชการได้พยายามหาวิธีการปราบปรามด้วยวิธีการต่างๆ ต่อมาได้พิจารณาเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยได้โดยเฉพาะแถบจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงพระมหาเถ ร, ระาที่ทรงคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ทั้งในหมู่คนดีและคนชั่วคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรีมหาวีโรด้วยเหตุนี้นาวาอากาศเอกประสิทธิทองใบใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในสมัยนั้นจึงกราบนิมนต์ขอให้ท่านสร้างวัดขึ้นบริเวณผา n a าย้อหลวงปู่ศรีมหาวีโรเมื่อท่านพิจารณาถึงเหตุผลต่างๆเห็นว่าเป็นการสมควรท่านจึงสร้างวัดบริเวณเชิงเขาชื่อว่าวัดผา้ําทิพเทพประสิทธิวนารามตั้งอยู่บ้านโคกกลางตาบลโคกสว่างอาเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มแรกมีพระประจำพรรษาจานวนห้ารูปโดยมี หลวงปู่บุญศรียานธรรมโมเป็นหัวหน้าเนื้อที่ที่วัดดูแลมีประมาณห้าห0ืนไร่ภายหลังเพิ่มเป็น 1,30,000 สนไร่ท่านได้ปลูกต้นไม้ขึ้นอีกบริเวณยอดเขาจำนวน 300,000 ต้นสมัยนั้นการขึ้นลงต้องไต่ตามซอกหินไม่มีบันไดจากเชิงเขาถึงผานําย้อยใช้เวลาประมาณ40นาทีหลวงปู่ศรีท่านชอบพักอยู่ตามทําบริเวณผาําย้อยส่วนพระเนน อยู่ตามบริเวณเทือกเขาผาตลอดแนวอาศัยเพิงหินเป็นที่ทํากิตตภาวนาคราวหนึ่งท่านหลวงปู่ศรีป่วยเป็นไข้ามาลาเรียอย่างหนักท่านไม่ยอมฉันยาไม่ยอมไปหาหมอท่านใช้ธรรมโอสถ ร, รักษาอาการป่วยนั้นแม้อายุของท่านจะย่างเข้าสู่วัยชราแต่ความเพียรความเด็ดเดี่ยวไม่เคยย่อหย่อนลงเลยและท่านก็สอนพระเนนเป็นธรรมมีกถาเตือนใจอยู่เสมอว่า การที่คนเราจะมีบุญวัสนาได้นั้นต้องเป็นผู้ลงมือทำดีเองการที่เราจะหมดบุญวัสนานั้นเพราะได้ลงมือทำชั่วเองความมีบุญวัสนาหรือความไม่มีบุญวัสนาใครทำให้ใครไม่ได้เหมือนดอกและผลของต้นไม้ย่อมเจริญเพราะอาศัยดินดีบุญกุศลคุณงามความดีย่อมเจริญงอกงามได้เพราะคบหาคนดีและสร้างความดีป่าเปลี่ยวเป็นที่ไปของฝูงเนื้อ กลางหาวเป็นที่ไปของฝูงนกการสิ้นความกํหนัดเป็นเป้าหมายของธรรมะพระนิพพานเป็นที่ไปของพระอระหันต์ท่านเป็นแบบอย่างแจกสาธสิทธิ์ไม่เคยท้อไม่เคยวันในการสร้างคุณงามความดีและคุณประโยชน์ทุกประเภทแม้พระพุทธรูปหินทรายมีน้ำหนักหลายตันที่ผู้มีศรัทธาสร้างถวายท่านเองนำพายาตโยมเป็นจำนวนมากช่วยกันชักลากจากบริเวณเชิงเขา ขึ้นไปปริสถานบนผาน้ําย้อยอันสูงชันได้อย่างน่าอัศจรรย์ในสมัยนั้นการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆมีสาลาเป็นต้นเป็นไปด้วยความยากลําบากน้ําแห้งแลง้งท่านได้สร้างสา้ําใหญ่สร้างสาลาใหญ่แม้ว่าท่านจะไม่เคยอยู่จําพรรษาณนะสํานักแห่งนี้แต่ท่านก็ให้ความสําคัญแก่สํานักแห่งนี้ไม่น้อยไปกว่าสํานักใหญ่วัดป่ากลุลงเลยการสอนประชาชนญาติโยม ท่านเน้นหนักเรื่องศีลห้าเป็นสำคัญโดยเฉพาะประเพณีทางภาคอีสานเมื่อมีงานเทศกาลสำคัญมักมีการดื่มของเมินเมาเข้ามาในวัดโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปในกรณีนี้ท่านจะห้ามเป็นพิเศษท่านบอกว่าวัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรดื่มเหล้าเมายาเข้ามาในบริเวณวัดท่านเล่าว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนขนองไม่เชื่อฟังดื่มเหล้าเข้ามาแล้วพูดจาท้าทายท่าน ปรากฏว่าฟ้าได้ผ่าเปรี้ยงลงมาการกระหม่อมของเขาเขาได้ล้มพับดิ้นตายลงไปต่อหน้าต่อตาคนทั้งหลายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าดื่มเหล้าเข้ามาในบริเวณวัดของท่านอีกเลยในปีพุทธศักราช2527ถึง2528ท่านได้เป็นประธานอำนวยการจัดสถานที่รองรับการประชุมพระสังฆติการภาค8 9 10 11ธรรมยุทธ์และท่านได้เริ่มโครงการ เกิดพระเกียตรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยร่วมกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ปลูกต้นไม้ที่เกี่ยวกับพุทธประวัติไม้เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและไม้สมุนไพรปลูกบนหลัง เ, เขาเขียวรวมเนื้อที่๙๐๐ไร่เป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อมีคนดีก็ต้องมีคนร้ายเมื่อเป็นพระก็ต้องมีมาระจญวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวใบไม้ไร้สายลมโบกพัดต่อมาอีกไม่นานนัก สายฝนก็ค่อยโปรยปลายลงมาและโปรยลงมาอย่างหนักแทบลืมหูลืมตาไม่ขึ้นพวกพระเนนแม่ชีตลอดจนชาวบ้านเป็นจํานวนมากที่มาร่วมปลูกต้นไม้ต่างพากันวิ่งเข้าหาที่กําบังกันพันลวันในเย็นวันนั้นหลวงปูศ่ศรีท่านสั่งกําชับทุกคนว่าให้ภาวนาอย่าพากันนอนนะพระรูปหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ท่านเห็นท่านสั่งกําชับนักหนาคิดว่าจะต้องเกิดอันตรายเป็นแน่นอน จึงขอให้ท่านเรียกตำรวจมาอารักขาด้วยเพราะว่าการปลูก ป, ป่าในคราวนี้ขัดผลประโยชน์กับพวกทำลายป่าและคนพวกนี้เดิมทีก็เป็นคอมมิวนิสต์และมีจิตใจโหดร้ายและมีอาวุธสงครามท่านตอบว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกแล้วท่านก็เดินทางกลับวัดป่ากุงคืนนั้นเวลาสามทุ่มก็เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังตูมตามเสียงดังลั่นสนั่นป่าทุกคนต่างต ก, อ ก, อกตกใจจอบเสียมเครื่องไม้เครื่องมือ ต้นไม้ทะลุไปหมดหลังคาที่พักปุพรนไปทั่วแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยเหมือนอย่างที่ท่านบอกไว้จริงๆพวกเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามการเรียนท่านว่าหลวงปู่จะให้จับไหมท่านบอกว่าไม่ต้องไปจับเข้าหรอกกรรมใครกรรมมันเขาเรียนถามท่านว่าจะทำยังไงดีเขาจะมาระเบิดเราท่านบอกว่าเอาเขาอยากระเบิดก็ปล่อยให้เขาระเบิดไปซี่ถ้ามันจะระเบิดมันก็ระเบิดเองแต่ถ้ามันจะไม่ระเบิด มันก็ไม่ระเบิดเองเป็นเรื่องของมันตอนที่มันระเบิดก็มีตอนที่มันด้านก็มีจะไปกลัวตายทำไมไม่ถึงคราวตายมันไม่ตายหรอกคนเราไม่ถึงคราวแตกมันก็ไม่แตกเหมือนกันระเบิดพวกเจ้าหน้าที่ที่ฟังแล้วก็หัวเราะกันใหญ่เรื่องราวตอนที่มีคนไปคว้างระเบิดที่ผานํ a ย้อ i ท่านเมตตาเล่าให้พระใกล้ชิดฟังตอนหลังว่าจริงๆแล้วจะไม่ทาให้มันระเบิดก็ได้แต่ถ้าไม่ทาให้มันระเบิด เขาจะหาว่าระเบิดด้านเดี๋ยวเขาจะเอามาเคลียงใหม่ก็เลยปล่อยให้มันระเบิดนี้เป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งสาหรับญาติโยมหรือผานเนรที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนต่างชื่นชมยกมือสาธุการในบุญบา ร, รมีของท่านหลวงปู่ีมหาวีโรที่คุ้มครองในเรื่องวาจาสิทธิ์นี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงวัดนรนาสุทริการามกรุงเทพท่านได้กล่าวยกย่อง หลวงปู่ีมหาวีโรว่าอาจารย์สีปากเข็ดคำว่าปากเข็ดนั้นก็คือมีวาจาสิทธิ์พูดอะไรทำอะไรสำเร็จทุกอย่างและเป็นจริงทุกอย่าง